จากเรื่องที่ท่านได้ฟังมานี้ท่านจะเห็นว่าดอร์ไพรซ์ได้คลำถูกตัวโรซาลีและคลำได้ถูกทุกส่วนพร้อมทั้งมีความรู้สึกว่าร่างกายของโรซาลีมีความอบอุ่นมีชีพจรเต้นด้วยสำหรับในประเด็นนี้ข้าพเจ้าเองก็มีความสงสัยและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ดังที่ข้าพเจ้าได้ปรารบมาในตอนต้นแล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธว่าเรื่องที่เขาบันทึกไว้นี้ไม่เป็นความจริง สำหรับตัวข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ด้วยตัวของข้าพเจ้าเองจึงได้ให้คุณศรีเพนเข้าสมาธิไปถามโอปปาติกะท่านหนึ่งซึ่งท่านได้กัลรุณาให้คำตอบดังต่อไปนี้โดยปกติร่างกายของโอปปปาติกะก็เป็นวัตถุ คือประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ทุกอย่างและมีอวัยวะทุกอย่างครบถ้วนเหมือนกับร่างกายมนุษย์เช่นมีหัวใจปอดตับลำไส้กระเพาะอาหารโลหิตและอวัยวะอื่นๆ อ, อ, อ, อ, อีกเหมือนกับของมนุษย์ทั้งนี้ก็เพราะโดยความเป็นจริงแล้วกายทิพย์คือต้นกำเนิดของกายมนุษย์หรือพูดอีกในหนึ่งกายทิพย์ ก็คือกายมนุษย์ในรูปที่ละเอียดกว่าเพราะเหตุที่กายทิพย์คือต้นกำเนิดของกายมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดธรรมดาที่ร่างกายของโอปปาติกะจะมีอะไรเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างข้อสำคัญจะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่ากายทิพย์ทั้งหลายมีความหยาบและความประนีหรือความละเอียดไม่เหมือนกันคือมีนับตั้งแต่ขั้นห ย, ยาบยาบ ที่มือของมนุษย์หรือประสาทของมนุษย์อาจจะสัมผัสได้ในบางกรณีไปจนกระทั่งกายทิพย์ที่ละเอียดที่สุดจนกระทั่งพวกโอปปปาติกะบางประเภทที่จิตใจประนีตไม่ถึงก็ไม่อาจที่จะมองเห็นหรือสัมผัสได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นโอปปปาติกะเหมือนกันในทำนองเดียวกันกับผู้ที่ได้ทิพยจักสุก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถมองเห็นโอปปปาติกะทุกๆประเภท คนที่ได้ทิพยจักษุหรือตาทิพมีมาตรฐานในการเห็นไม่เหมือนกันซึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจของสมาธิและอำนาจของบารมีที่สะสมมาไม่เหมือนกันโรซาลีเป็นตัวอย่างของพวกโอปปาติกะที่มีกายหยาบมากเพราะฉะนั้นดอกเตอร์ไพรซ์จึงสามารถสัมผัสได้ด้วยมือแต่ถึงกระนั้นก็ขอให้สังเกตว่า โอปปาติกะที่มีกายหยาบจนกระทั่งมนุษย์สามารถจะสัมผัสได้ด้วยมือนั้นความจริงมนุษย์จะสัมผัสได้ก็เฉพาะในเวลาที่ตนเองมีความเคลิมซึ่งเป็นภาวะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการตื่นกับการหลับคือถ้าตื่นจริงก็ไม่อาจจะมองเห็นหรือสัมผัสได้หรือถ้าหลับจริงๆก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เช่นเดียวกันอาการเคลิมที่ว่านี้มีลักษณะเหมือนกับอาการของจิตใจ ที่กำลังมีความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างลืมตัวคือจิตใจจะจดจ่ออยู่กับเฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจจนกระทั่งไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นคนบางคนที่กำลังจะนอนหลับในบางครั้งที่เห็นโอปปปาติกะก็จะต้องอยู่ในภาวะนี้และคนที่กำลังตื่นอยู่ในบางครั้งที่เห็นโอปปปาติกะก็จะสังเกตได้ว่าในขณะที่กาลังเห็นโอปปาติกะอยู่นั้น จะมีอาการตะลึงจนกระทั่งลืมนึกถึงสิ่งอื่นชั่วคราวพอรู้สึกตัวขึ้นมาภาพนั้นก็จะเลือนหายไปทั้งนี้ก็เพราะอาการเคลิมได้หมดไปเหมือนกับคนที่เข้าสมาธิถึงขั้นเห็นอปปปาติกะแล้วก็ถอยออกมาจากสมาธิอันหนึ่งท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าในขณะที่มีอาการเคลิมนั้น คนคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังเคลิมไปมันเหมือนกับคนที่กําลังนอนหลับแล้วฝันในขณะที่กําลังฝันอยู่จะไม่รู้สึกตัวว่าฝันต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจึงจะนึกได้ว่าเมื่อตะกี้ฝันไปและเพราะเหตุที่ในขณะเคลิ้มไม่รู้สึกตัวเช่นนี้แหละคนที่เคยเห็นโอปปาติ่กะส่วนมากซึ่งจะเป็นในเวลาที่กําลังจะหลับหรือในเวลาตื่นก็ตามสังเกตไม่ได้ว่า ตัวเองมีอาการเคลิมคือลืมตัวไปชั่วขณะคนที่สามารถหลับในสมาธิได้และเห็นโอปปาติกะก็คือคนที่อยู่ในภาวะอย่างเดียวกันนี้แต่แตกต่างกันตรงที่คนที่เข้าสมาธิถึงขั้นนี้ได้นั้นเขาบังคับจิตให้อยู่ในภาวะนี้ได้ทุกครั้งตามความต้องการและมีสติดีกว่าคนที่อยู่ในลักษณะเคลิมโดยบังเอิญ อาการเคลิมที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้บางทีไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนคนนั้นโดยตรงแต่เกิดจากการสะกดจิตของโอปปปาติกะที่ต้องการจะให้เห็นแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะถูกสะกดจิตโดยโอปปปาติกะได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นในทางจิตพอที่อีกฝ่ายหนึ่งจะสะกดได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็ถูกสะกดจิตให้เห็นได้ทุกครั้งและโอปปปาติกะที่จะสะกดก็ต้องมีทั้งอำนาจจิต และมีศิละปะในการสะกดโอปปาติกะโดยทั่วไปไม่ใช่จะทำได้ทุกคนอันหนึ่งท่านได้อธิบายอีกว่าพวกโอปปปาติกะที่มีกายหยาบจนกระทั่งบุคคลบางคนสัมผัสได้นั้นพวกนี้มีน้อยมากเพราะโดยธรรมดาคนเราเมื่อตายแล้วก็จะต้องไปมีร่างกายอยู่ในสภาพที่เป็นกายทิพย์ ซึ่งมนุษย์โดยทั่วไปจะสัมผัสไม่ได้เหมือนกับคนเราในเมื่อมาเกิดเป็นคนโดยทั่วไปก็จะต้องมีร่างกายแบบคนส่วนการที่จะมีผิวพันธร์หรือรูปร่างหรืออวัยวะส่วนใดผิดจากคนอื่นหรือจากพี่น้องท้องเดียวกันก็ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับวิบากของแต่ละบุคคล คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะให้มีร่างกายละเอียดเหมือนพวกอปปติกะนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในทำนองเดียวกันโดยหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วพวกอปปติกะที่มีกายหยาบนั้นแม้จะหยาบสักเพียงไรมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็ไม่สามารถจะสัมผัสได้คือจับต้องไม่ได้มองเห็นไม่ได้แต่ในบางรายเช่นตัวอย่างในเรื่องโลซาลีนี้จะต้องถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมาก และการที่เป็นเช่นนี้มีหลักเกณฑ์โดยทั่วไปพอที่จะยึดถือเป็นหลักทําให้เข้าใจได้นั้นมีดังต่อไปนี้พวกที่จะมาเกิดเป็นโอปปาติกะที่มีกายหยาบแบบโรซาลีนั้นพวกนี้จะมาเกิดเฉพาะอยู่ในภูมิที่สามารถจะติดต่อกับมนุษย์ได้โดยง่ายหรือพูดอีกในหนึ่งพวกนี้เกือบจะเป็นมนุษย์อยู่แล้ว และพวกนี้จะไม่เคยเห็นชีวิตในโลกของโอปปาติกะจริงๆเลยสภาพสิ่งแวดล้อมของโอปปาติกะก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่เขามองเห็นอยู่เสมอก็คือชีวิตในโลกมนุษย์สภาพสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์และโอปปาติกะที่อยู่ในภูมิเดียวกับตัวเองเท่านั้นพวกโอปปาติกะที่มีกายละเอียดกว่าตนเองจะมองไม่เห็นและท่านได้ให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่จะมาเกิดในภูมินี้จะต้องเป็นพวกที่รู้ตัวว่าตนเองได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วและได้เกิดใหม่แล้วแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนเองยังเป็นมนุษย์และเป็นคนเดิมนั่นเองพวกนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะแต่ก็เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกและเป็นคนที่ไม่ได้ทำบาปไว้มากจนถึงขนาดจะต้องไปตกนรกหรือไปได้รับความทรมานอย่างมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำบุญพอ ที่จะทําให้ไปเกิดในสวรรค์ในภูมิของโอปปปาติกะที่มีกายละเอียดกว่านี้และได้เห็นสิ่งแวดล้อมในโลกของสวรรค์หรือในโลกของโอปปปาติกะโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกที่จะมาเกิดในภูมินี้จึงมีน้อยมากอย่าลืมว่าพวกที่อยู่ในภูมินี้ก็คือพวกที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นพวกโอปปปาติกะที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ผู้ที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงคนประเภทนี้ตายแล้วซึ่งถ้าหากไม่ไปตกนรกก็จะเป็นโอปปปาติกะประเภทที่มองเห็นแต่สภาพในโลกมนุษย์และมองเห็นสภาพในโลกของโอปปปาติกะได้ในบางครั้งและก็มีความเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายพวกนี้จะได้รับความทรมานเพราะความไม่รู้หรือความหลงผิดอันนี้หลายอย่าง สุดแล้วแต่เมื่อสมัยที่ยังเป็นมนุษย์มีความเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ทรมานในทางจิตใจอย่างไรก็จะได้รับอย่างนั้นอยู่ตลอดไปตรากได้ที่ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอันนั้นพวกนี้มีกายละเอียดกว่าพวกที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางครั้งบางคนอาจจะมองเห็นได้แต่ก็จะไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือหรือจับถูกต้องตัวได้โดยเฉพาะในเวลาตื่นเหมือนอย่างกับดรไพร์ แต่พวกที่เป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้ส่วนมากก็มักจะทำบาปจนถึงกับต้องไปตกนรกหรือไปเสวยความทุกข์ทรมานจนกระทั่งติดต่อกับมนุษย์ไม่ได้เลยส่วนพวกที่เป็นสัมมาทิฐิคือเชื่อว่าตายแล้วเกิดเชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงและได้ทำความดีไว้หลายอย่างพวกนี้เมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์มีกายละเอียด ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถจะสัมผัสได้หรือมองเห็นได้เว้นไว้แต่พวกอปปาติกะประเภทนี้จะได้เรียนรู้วิธีทํากายให้หยาบจนกระทั่งสามารถทําให้มนุษย์มองเห็นหรือสัมผัสได้แต่การฝึกฝนหรือการอบรมจิตใจจนกระทั่งสามารถทําให้กายหยาบได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและก็ต้องมีพื้นอย่างเพียงพอมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ ซึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายที่โอปปะปาติกะทั่วๆไปจะทำได้วิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้กายหยาบขึ้นอันนี้ท่านยังไม่ได้อธิบายข้าพเจ้าเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าวิธีการอย่างนี้มีอยู่